ซึ่งเรียบเรียงโดยท่านธรรมวัโนโภพิคุแห่งวัดโสมรัณวิหารกรุงเทพมหานครโดยสื่อธรรมสร้างสรรนี้จะเสริมสร้างกำลังใจให้มีความเพยยียรพยายามฝ่าฟัาฟานอุปสรรคของชีวิตและพัฒนาจิตใ จ, ใจด้วยหลักธรรมทามพระพุทธศาสนาจัดทรรมโดยสนทิชัยทวีโชคทรัพย์สิล มวนที่สองสร้างฝันให้เป็นจริง อัจฉริยะบุคคลไม่ใช่ว่าจะมีพรสวรรค์มาแต่กำเนิดแต่เขาสร้างมันขึ้นมาเองอย่างเช่นอันเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังก้องโลกตอนเด็กๆ เ, เรียนแย่มากแต่เขาก็พยายามจนพบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่โทมัสเอดิสันนักประดิษฐ์ที่มีผลงานมากมายตอนเด็กๆ ก, ก็ถูกไล่ออกจากโรงเรียนชั้นประถม เพราะเรียนไม่เอาไหนแต่ด้วยความอุตสาหะเอาจริงเอาจังเขาสามารถยืนอย่างผู้พิชิต ท, ทำประโยชน์แกมรุดอย่างใหญ่หลวง<อ>เช่นเดียวกับเรื่องของเซเรนาอย่างซึ่งพิการมาแต่เด็กเมื่อเธออายุได้34ปีได้บรรลุถึงความไฟ่ฝันของเธอ โดยได้เป็นสัญลยแพทย์ผ่าตัดคนพิการตลอดเวลาผู้คนมักบอกกับดิชันว่าจงเลิกคิดเลิกฝันเสียทีเธอแต่ดิชันก็ไม่เคยล้มเลิกความตั้งใจเธอเล่าด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแฝงไว้ด้วยความอิ่มเอิบใจดิชันมาสหรัฐอเมริกาจากไต้หวันบ้านเกิดโดยใช้มือคลานมา ทุกวันนี้ดิฉันสามารถใช้ขาพยุงร่างยืนขึ้นได้และเดินได้โดยใช้ไม้คำ้ำสามารถยืนผ่าตัดได้เป็นเวลาติดต่อกันถึง14ชั่วโมงโดยพิงกับโต๊ะผ่าตัด ดิฉันประสบความสาเร็จดิฉันเป็นสตรีที่มีความสุขสเซเรน่าอย่างกล่าวพร้อมด้วยดวงตาที่เป็นประกายเธอยังเล่าต่อไปว่าเธอนั้นเป็นสาวชาวจีนไต้หวันคนนี้เป็นโรคเปริโอ ม, มาตั้งแต่อายุสองขวบทำให้เธอเป็นอมัมพาตตั้งแต่ลำคอลงไปแต่ต่อมาเธอค่อยๆใช้มือได้แต่ว่าขาของเธอนั้นไม่สามารถใช้การได้เลย เมื่อเซเรน่ายัางอายุได้สี่ขวบครอบครัวของเธอได้อพยพมาอยู่ที่สหรัฐจุดประสงค์ก็เพื่อ น, นำเธอมารักษาเพราะว่าที่นั่นมีวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยกว่าไต้หวันมากดิฉันได้รับการผ่าตัดถึงสี่ครั้งผ่าตัดเปลี่ยนกล้ามเนื้อรักษาหัวเขา่า เท้าและตาตุ่มเธ อ, อยังเล่าต่อไปว่าเพราะการผ่าตัดเหล่านี้เองทำให้ดิฉันก้าวต่อไปดิฉันเริ่มต้นคิดที่จะเป็นศัลยแพทย์ผ่าตัดคนพิการซึ่งทำให้ดิฉันช่วยเด็กๆคนพิการเหมือนดิฉันได้ดิฉันประจักษ์แจ้งว่าการจะทำความฝันนี้ให้เป็นจริงได้นั้นทำได้ทีละน้อยและต้องใช้เวลานาน ขนทางข้างหน้ามีแต่อุปสรรคมากมายเธอได้ถอดหัวใจออกมาพูดแต่บ่งบอกถึงหัวใจอันแน่วแน่เซเรนาอย่างยังเริ่มต้นความใฝ่ฝันของเธอให้เป็นจริงขึ้นมาโดยเธอได้เข้าโรงเรียนสำหรับคนพิการแต่พอเธอเรียนได้ชั้นเจ็ดเธอก็ย้ายมาที่โรงเรียนไฮสคูลธรรมดาซึ่งโรงเรียนนั้นมีเพียงเธอคนเดียวที่เป็นปริโอและพิการ เรียนอยู่ที่โรงเรียนนั้นก็ล้วนแต่เผชิญกับความวิกฤตของผู้นักเรียนที่มาชี้อย่างดิชันแล้วก็มองดูดิชันเหมือนคนประหลาดแต่ดิชันก็ค่อยๆสงบใจพยายามทำใจไม่ให้คิดถึงและยอมรับว่าตนเองนั้นเป็นคนที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์แต่ก็ไม่ไรประสิทธิภาพเซเรนาได้ทบทวนความหลังอันคมขืน ภายหลังจากที่เธอได้เรียนจบมัธยมแล้วเธอก็ได้เข้ามหาวิทยาลัยทำปริญญาทางชีววิทยาจากนั้นก็เรียนแพทย์ต่อสำเร็จเมื่อพุทธศักราช2524และเธอก็เริ่มเป็นสัญญแพทย์ผ่าตัดคนพิการภายหลังจากที่ดิฉันได้ยื่นใบสมัครซึ่งได้เล่ารายละเอียดถึงความพิการของดิฉันเมื่อดิฉันถูกเรียกสัมภาษณ์ กรรมการสัมภาษณ์มดิฉันจนตาค้างยังไม่แน่ใจดิฉันบอกกรรมการว่าดิฉันสามารถยืนได้แล้วก็ใช้ไม้คคำสามารถทําดิฉันไปไหนมาไหนได้ดิฉันยังจําได้ดีว่าสัญญาแพทย์คนหนึ่งได้บอกกับดิฉันว่าดิฉันนั้น ควรจะล้มเลิกความคิดเป็นสัญญาแพทย์เสียดีกว่าเธอบอกว่าดิฉันไม่สามารถจะเป็นแม่ได้ซึ่งแม่ก็คล้ายๆกับสัญญาแพทย์เพราะดิฉันไม่สามารถจะอุ้มเด็กได้แต่คุณเชื่อไหมล่ะว่าหมอคนนี้ทุกวันนี้ก็ยังเข้าร่วมประชุมทางการแพทย์ด้วยกันเลย ปัจจุบันนี้เธอเป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารสมองผู้ใหญ่บาทเจ็บที่ศูนย์กลางแพทย์ในแคลิฟอร์เนียเมื่อบรรดาคนไข้เห็นเธอครั้งแรกก็มาจับประหลาดใจมากที่เธอใช้ไม้เท้าคำ้ำเธอก็ได้เล่าออกมาว่าเขามาจะถามว่าทำไมดิฉันถึงใช้ไม้เท้าคำ้ำดิฉันก็ตอบตรงไปตรงมาว่าดิฉันนั้นเป็นโปลิโอมาตั้งแต่เด็กการบอกตรงๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่รังเกียจเธออย่างใดเธอสามารถทำหน้าที่ได้อย่างดีจะเป็นที่เรื่องเลือกกันทั่วไปว่าหมอพิการก็มีฝีมือเยี่ยมในการผ่าตัดคนไข้ที่มีความเชื่อมั่นได้ให้โอกาสแก่ดิฉันมันเป็นโอกาสที่สำคัญครั้งหนึ่งดิฉันคิดว่าทำได้ และเดี๋ยวนี้ดิฉันก็ทำได้จริงๆเธอยังกล่าวหนักแน่นอีกว่าคุณก็สามารถทำให้ความไฝฝันของคุณเป็นจริงขึ้นมาได้เหมือนกันถ้าหากมีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกับเธอที่พิการมาตั้งเด็กแต่สามารถเป็นศัญยแพทย์ได้จากคอลัมน์ภาพชีวิตโดยแรมหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 18กุมภาพันสองพันห้ารอยสามสิบสามเรื่องนี้ให้ข้อคิดดังนี้ 1. พระพุทธเจ้าตรัสว่าการอยู่ในถิ่นอันเหมาะสมนั้นเป็นมงคลสำหรับเซเรน่านั้นสหรัฐอเมริกาจัดว่าเป็นที่อยู่อันเหมาะสมสำหรับเธอ เราสร้างความเจริญให้กับร่างกายและชีวิตจิตใจของเธอ 2. เซเรนาพิการก็เพียงร่างกายแต่จิตใจนั้นไม่พิการเธอมีจิตใจเมตตากรุณาเธอเรียนแพทย์ไม่ใช่เพื่อมุ่งหวังหาเงินทองแต่มุ่งช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุขผลจากความทุกข์เมื่อเรียนสำเร็จและสามารถช่วยผู้ป่วยได้สมดังปรารถนาเธอจึงมีความสุขมาก ชีวิตอย่างไม่ลับดับเพียงนี้แรงยังมีจงสู้กระเสือกกระสนหากเจ็บปวดรว่ร้าวจงเฝ้าทนประจวบจนสมหวังดังตั้งใจ ต่อไปเป็นเรื่องของฝ่ายรู้ยิ่งกว่าฝ่ายรับมีนักวิชาการน้อยคนที่โลกจะให้กิยศอันยิ่งใหญ่และนำความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์มากเท่าหลุยปาสเตอร์ประเทศที่จเจริญแล้วทั่วโลกมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่า เป็นสถานทดลองค้นคว้าตามหลักวิชาของปาสเตอร์เมืองไทยเราก็มีสถานที่เช่นนี้เดิมให้ชื่อว่าปาตุระสภาคำว่าปาตุระนั้นก็คือปาสเตอร์ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อให้ชัดขึ้นเป็นสถานปาสเตอร์และต่อมาภายหลังก็ได้เลิกใช้ชื่อปาสเตอร์แล้วเอาพระนามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีแห่งราชการที่หมาใช้แทน มีชื่อว่าสถานเสาพาพาสเตอร์นั้นเป็นชาวฝรั่งเศสเกิดเมื่อวันที่2 7่0 0ธันวาคมพุทธศักราชส3 6 5เมื่อยังอยู่ในโรงเรียนครูได้หมายเหตุลงในสมุดพวกว่า เป็นเด็กที่อ่อนโยนที่สุดตัวเล็กที่สุดแล้วก็มีหวังสอบไล่ได้น้อยที่สุดในชั้นของข้าพเจ้าคนเราดูกันยากเราไม่สามารถจะเอาความเป็นไปในขณะที่เป็นเด็กมาเป็นเครื่องวินิจฉัยว่าโตขึ้นจะเป็นอย่างไรมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยและบางทีก็เปลี่ยนไปได้มากด้วยพาสเตอร์นั้นเป็นลูกคนฟอกหนัง อยู่หัวเมืองพ่อได้ส่งเข้าโรงเรียนที่ปารีสและอยู่ที่ปารีสนั้นครั้งหนึ่งเขาป่วยและก็คิดถึงบ้านเขาเขียนจดหมายถึงบิดาว่าถ้าได้ดมกลิ่นหนังสักหน่อยก็จะสบายขึ้นเขาตัดสินใจตั้งแต่เล็กแต่น้อยว่าจะศึกษาทางเคมีเขารักวิชานี้มาก บิดาก็ตามใจแต่ว่าเขานั้นเรียนได้คะแนนที่เลวจริงๆแล้วมากเป็นอันดับตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมหาวิทยาลัยไม่เคยได้คะแนนดีเลยเพียงแต่ผ่านไปได้เท่านั้นในการศึกษาขั้นบัณฑิตเคมีในมหาวิทยาลัยถึงจะสอบไม่ตกแต่ก็สอบได้คะแนนที่ไม่ดีเลย การสอบผ่านไปอย่างวุ่วิตนี้เองทำให้เขามีความเปลี่ยนมากขึ้นมีความพยายามอย่างแรงกล้าเมื่อศึกษาในขั้นด็อกเตอร์บิดาก็ไม่ใช่เป็นคนที่มั่งคั่งอุตสาหาเงินมาให้ศึกษาจนสำเร็จขั้นบัณฑิตได้ก็นับว่าดีถมเถไปแล้วมาถึงขั้นด็อกเตอร์ก็ต้องใช้เงินมากขึ้นดังนั้นเขาจึงพยายามหารายได้เพิ่มเติมด้วยการสอนพิเศษให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ ได้ค่าสอนพอจุนเจือไปแต่ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังบางวันเขาไม่ได้รับประทานอาหารครบทุกมือ้อเขาเคยเขียนเรื่องของเขาเองว่าในบางวันเขาหิวมากและก็ปวดศรีรษะด้วยดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือพอปวดศรีรษะเขา้าความหิวก็หายไป เขาทําความเพียรอย่างยิ่งยวดในการศึกษาขั้นด็อกเตอร์แทนที่จะทําวิทยานิพนธ์เรื่องเดียวเขาทําถึงสองเรื่องเขาสอบขั้นด็อกเตอร์ได้ดีเกินคาดดีจนกระทั่งทันทีที่สอบไล่ได้ศาสตราจารย์คนหนึ่งได้จอจองเลือกเขาเป็นผู้ช่วยประจําห้องแยกธาตุซึ่งเป็นสถานศึกษาวิทยาศาสตร์ที่สําคัญแห่งหนึ่งในเวลานั้นและก็มีห้องแยกธาตุชั้นดีเยี่ยมที่สุด การได้ทำงานในห้องแยกธาตุที่ดีที่สุดนี้เป็นการสร้างอนาคตให้แก่เขาเพราะเปิดทางให้เขาได้ทําการค้นคว้าซึ่งเขาไม่สามารถจะหาทางอื่นได้ดีกว่าเขาเริ่มทดลองเกี่ยวกับการทําเครื่องแก้วาศาสตราจารย์ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของเขาก็เริ่มมองเห็นความยิ่งใหญ่ในภายหน้าของนักเคมีหนุ่มผู้นี้ เขาทำกวนทอนควา้าจนได้พบความรู้ใหม่ๆหลายประการพวกศาสตราจารย์ช่างผู้ใหญ่เห็นความสามารถของเขามากขึ้นศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงทางเคมีคนหนึ่งชื่อโอเยได้เขียนไปยังกรรมการมหาวิทยาลัยสตราบุกว่าเขาได้พบนักเคมีหนุ่มซึ่งแน่ใจได้ว่าจะเป็นนักเคมีที่รุ่งโรดในภายหน้าถ้าเขาได้มีโอกาสอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นเอกเช่น มหาวิทยาลัยสตาบู๊กแล้วเขาจะไปได้ไกลเดินทีเดียวมหาวิทยาลัยสตาบูกตกลงรับปาสเตอร์เข้าเป็นอาจารย์แต่พอเขาเข้าไปอยู่ได้หน่อยก็เกิดรักลูกสาวอาธิการบดีของมหาวิทยาลัยนั่นเอง แลวก็ดาเนินการอย่างที่คนไทยเราเรียกว่าเข้าตามตรอกออกตามประตูคือเมื่อรับลูกสาวเขาก็ต้องสู่ขอตอบพ่อแม่ของเขาแทนที่จะขอความรักจากหญิงสาวก่อนปาสเตอร์กลับเขียนจดหมายไปถึงพ่อของเธอบอกว่าตัวเขานั้นเป็นลูกคนฟอกหนังมีน้องสาวอยู่สามคนแม่ตายไปหมดแล้ว รอบครัวของเขาไม่มั่นคงฉะนั้นตัวเขาจึงเป็นคนไม่มีสมบัติเขามีแต่สุขภาพอนามัยดีความภาคเพีพยรยพยายามเป็นเลิศและฐานะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้พร้อมที่จะเสียสละชีวิตเพื่อการค้นคว้าทางเคมีหวังว่าจะประสบความสำเร็จในภายภาคหน้าดังนั้นจึงขอแต่งงานกับลูกสาวอธิการบดี อธิการบาดีเอาจดหมายให้ลูกสาวดูลูกสาวบอกว่าคนที่เขียนจดหมายฉบับนี้เธอไม่ขอแต่งงานด้วยอธิการบาดีก็บอกไปยังปาสเตอร์ปาสเตอร์ก็เขียนขึ้นมาใหม่คราวนี้เขียนจดหมายถึงภรยาอธิการบาดีคือมารดาของสตรีที่เขารักความว่าเขาเข้าใจว่า มาเดอร์มัวแซมมารีคือลูกสาวคงจะวินิจฉัยเขาด้วยการเห็นครั้งแรกเขาไม่มีอะไรในตัวที่จะดึงดูดใจของหญิงสาวแต่ทุกคนที่รู้จักเขาดีจะต้องชอบเขาแน่นอนมารดาเอาจดหมายให้ลูกสาวดูลูกสาวก็คงยืนยันว่าไม่ต้องการแต่งงานกับผู้ชายเช่นนี้ คราวนี้เขาเขียนจดหมายถึงตัวหญิงสาวเองความว่าอย่าวินิจฉัยตัวเขาเร็วเกินไปเลยเพราะอาจจะเข้าใจผิดวินิจฉัยผิดก็ได้เวลาข้างหน้าจะแสดงให้เห็นว่าแม้เขาจะเป็นผู้ชายโง่ๆหรือผู้ชายขี้อายแต่หัวใจของเขานั้นก็เต็มเปี่ยนไปด้วยความรักเป็นจดหมายที่เลวเต็มทีสมควรแล้วที่ผู้หญิงเขาจะไม่รัก จดหมายทั้งสามฉบับไม่ได้มีความคมคลายอะไรเลยแต่ก็เป็นการแสดงลักษณะของปาสเตอร์ของนักวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงพูดไปตรงๆซื่อๆมีแต่ความพยายามหลงท้ายลูกสาวอาธิการบาดีก็ยอมแต่งงานด้วยไม่ใช่เพราะว่าปาสเตอร์นั้นเขียนจดหมายคมคลายแพยร่ะขึ้นภายหลัง จดหมายก็คงเป็นจดหมายฉบับแบบนั้นแต่เขาก็ทําอย่างนักวิทยาศาสตร์คือทําความพยายามไม่ลดละพยายามไปจนกระทั่งหญิงสาวเกิดความสงสารและเห็นลักษณะเด่นสองประการในตัวเขาประการที่1ก็คือความพยายามประการที่สองคือความซื่อสัตย์เมื่อคิดไปถึงอนาคตการได้สามีที่ประกอบด้วยลักษณะสองประการนี้ก็นับว่าดีมากแล้ว หญ os os ิงสาวจึงยอมตกลงแต่งงานด้วยกำหนดการแต่งงานในวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช 2,392 แขกเรือมาพร้อมเจ้าสาวบิดามารดาของทั้งสองฝ่ายก็มาพระที่จะประกอบพิธีการแต่งงานก็เตรียมพร้อมแต่เจ้าบ่าวไม่ปรากฏตัว พวกเพื่อนต้องเที่ยววิ่งตามหาไปได้ตัวที่ห้องทดลองวิทยาศาสตร์เขาไม่ลืมว่าถึงเวลาแต่งงานแล้วแต่นักวิทยาศาสตร์ที่กำลังจะพบอะไรอยู่นั้นแม้จะไปแต่งงานก็ต้องรอให้พบกับสิ่งที่กำลังจะค้นพบเสียก่อนมารีเป็นภรรยาที่ดีของปาสเตอร์แต่ไม่อาจจะกล่าวได้ว่าปาสเตอร์นั้นเป็นสามีที่ดีของเธอ เป็นความจริงอย่างที่กาลิเลโอกล่าวบุคคลไม่สามารถจะเป็นนักวิชาการและเป็นสามีที่ดีได้ในเวลาเดียวกันมารีแแลเห็นขึ้นทุกวันว่าปาสเตอร์นั้นรักวิชามากกว่ารักเมียเขาอยู่กับงานคนา้นคว้าเหมือนหนึ่งว่าเขาเป็นคนโสดเมื่อภรรยาต่อว่าเขาก็บอกว่าเขาทําอย่างนั้นด้วยความรักภรรยาต้องการจะนําภรรยาไปสู่ความมีชื่อเสียงด้วย เมื่อทำงานไปมากๆเข้าการค้นคว้าของปาสเตอร์ก็เปลี่ยนทางไปเขาแยกออกจากเคมีหันไปหาชีววิทยาศาสตราจารย์ดูมาสิ่งปาสเตอร์รักและเคา น, นับถือว่าเป็นอาจารย์ก็ได้มีหนังสือเตือนปาสเตอร์มาว่าไม่อยากให้ค้นคว้าในทางนี้เพราะเป็นเรื่องหาความแน่นอนได้ยากเป็นเรื่องที่ถกเถียงง่ายค้านง่ายพิสูจน์ยากอาจารย์เห็นว่าเป็นความลำบากที่ลูกศิษย์ จะเอาชื่อเสียงทางชีววิทยาปัญหาเรื่องสิ่งมีชีวิตเป็นปัญหาซึ่งยากที่จะวิเคราะห์ในทางวิทยาศาสตร์นักปรัชญาเก่าเชื่อว่าชีวิตอาจเกิดขึ้นจากสิ่งไม่มีชีวิตหรือสิ่งที่ตายไปแล้วแต่การค้นคว้าของปาสเตอร์ยืนยันว่าชีวิตเท่านั้นที่จะสามารถสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ชีวิตจะเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตไม่ได้เลยเป็นอันขาดเราอาจพบซากสัตว์ที่ตายไปแล้วแล้วก็มีหนอนขึ้นเต็ม หนอนนั้นไม่ได้เกิดจากสัตว์ตายแต่เกิดจากสิ่งมีชีวิตซึ่งยังหลงเหลืออยู่ในซากนั้นนักการกตานเก่าๆคัดค้านความเห็นของปาสเตอร์อย่างรุนแรงโดยเฉพาะศาสตราจารย์ปูเช่กับศาสตราจารย์โชลีกลายเป็นสงครามปากสงครามปากกาการโต้เถียงท้าทายมีอยู่เรื่อย ร้อนถึงบันติตยสถานต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาเรียกคู่กรณีมาชี้แจงผลการทดลองต่อนหน้าคณะกรรมการคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดลงมติว่าความเห็นของปาสเตอร์นั้นเป็นฝ่ายที่ถูกต้องชัยชนะของปาสเตอร์ในเรื่องนี้เป็นการตั้งต้นใหม่แห่งวิชาชีววิทยา สร้างชื่อเสียงกิตติคุณแก่ปาสเตอร์เป็นอย่างยิ่งถึงกับได้เป็นสมาชิกบัณฑิติยาสถานสิ่งเป็นการยกย่องคุณวิชาสูงสุดในประเทศฝรั่งเศส เ, เกิดโรคขึ้นในตัวไหมซึ่งเลี้ยงไว้สําหรับเอาไหมมาทําผ้าไหมทําให้ตัวไหมนั้นตายมากโดยเฉพาะในเมืองอาเลซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงไหมสําคัญที่สุดของฝรั่งเศสถ้าไม่แก้ไขก็จะเป็นผลเสียหายร้าแรงแก่ฝรั่งเศสเพราะผ้าไหมนั้นเป็นสินค้าสําคัญรัฐบาลฝรั่งเศสมอบหน้าที่นี้แก่ปาสเตอร์พอข่าวแพร่ออกไปก็มีเสียงคัดค้านว่าปาสเตอร์นั้น ไม่ใช่แพทย์เป็นแต่นักเทมีจะรักษาโรคได้อย่างไรบางคนก็ว่ากว่าจะพบทางแก้ไขสินค้าไหมไของฝรั่งเศสก็คงจะพินาาไปก่อนเวลาล่วงไปปาสเตอร์ยิ่งถูกกระน้ำยิ่งขึ้นเพราะคน คอยมานานแล้วก็ยังไม่เห็นปาสเตอร์แก้ไขอะไรเป็นแต่ตรวจและทดลองไปเรื่อยๆสถิติการตายของโตัวไหมเพิ่มขึ้นทุกเดือนพวกคนเลี้ยงไหมก็โกรธแค้นปาสเตอร์จึงถูกดา่าถูกหมิ่นประมาทอย่างมากที่สุดถ้าเป็นคนอื่นอาจจะหมดความพยายามและขอให้รัฐบาลตั้งคนอื่นแทนแต่ปาสเตอร์นั้นก็ได้ใช้วิริยะอันแรงกล้าควบคู่กับขันติ โรคระบาดชนิดนี้ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนและเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันใหม่ทดลองใหม่ไม่สามารถจะทำให้เห็นผลได้พันใจคนในการทดลองคนควานี้เขาทำงานวันละ18ชั่วโมงตั้งแต่เช้าคือตีหนี่เป็นเรื่องของวิริยะคนก็รู้เหมือนกันว่าปาสเตอร์นี้ทำงานหนักแต่แทนที่จะชมว่าดีกลับถูกด่าและถูกประชดว่ากว่าจะได้ความรู้ตัวไหม ตายไปทั่วประเทศฝรั่งเศสแล้วมีแต่เสียงประนามและเยอะหยันทั่วไปไม่มีใครเห็นใจไม่มีใครปลอบใจปาสเตอร์เท่านั้นที่ต้องปลอบใจตัวเองปาสเตอร์นั้นต้องใช้ขันติอย่างแรงกล้าเท่าเกับวิริยะ พระ น, นอกจกจะต้องอดทนต่อคำด่าคำประนามคำประชดของคนทั้งหลายแล้วครอบกรรมอันร้ายแรงได้เกิดขึ้นในครอบครัวของเขาอีกลูกของเขาได้เจ็บป่วยลงทั้งสามคนแล้วก็ได้เสียชีวิตหมดยังไม่น่าเชื่อเป็นครอบกรรมที่ร้ายแรงเหลือเกินเมื่อข่าวแพร่ออกไปแทนที่จะมีคนสงสารบางคนกลับประชดว่ามัวแต่รักษาลูกของตัวเองเสีย ไม่เอาใจใส่กับงานที่รัฐบาลมอบหมายให้จึงไม่ได้ผลอะไรแต่บางคนก็ยังเยาะเย้ยว่าแม้แต่ลูกของตัวเองยังรักษาไม่ได้จะรักษาโรคใหม่ได้อย่างไร